Book 2 85ป5สิหาอตอินเดปียตถามอดีตการหนึ่ง ā จ้าตาอยู่มิประกานเวียคุณดื่มไปมากแค่ไหนแล้วซิกเดอจูสร คุณทำงานไปมากแค่ไหนแล้วจิกยูร์ยูสตราไดยัตคุณเขียนไปมากแค่ไหนแล้วจิกเดวตยูสอุรักติยัตคุณนอนหลับสบายไหมค่ายูสกุเลยัตคุณสอบผ่านได้อย่างไร ก็ use โน้กเกิลตัวยอด exa menu คุณหาทางพบได้อย่างไรก็ u s อัตราดอกเซลุคุณพูดกับใครมาอาร์คยูสโรนายอตคุณนัดกับใครมาอาร์คุยูสโรนายอต tixenos คุณฉลองงานวันเกิดกับใครมา v i n a s d e คุณไปอยู่ที่ไหนมา c u ค, คุณเคยอยู่ที่ไหนมา c ค, คุณเคยทํางานที่ไหนมา คุณแนะน t อะไรไปแล้วค e ณแนะนำอะไรไปแล้วคุณทานอะไรมาคุ ā ทานอะไรมาคุณได้พบอะไรมาคุณได้พบอะไรมาคุณข n บรถมาเร็วแค o ไหนคุณขับรถมาเร็วแค่ไหน ช i k ātri jūs b r a u c จ t คุณใช้เวลาบินนานเท่าไร่ i l อ i ลกิยูสลิดวยอตคุณกระโดดได้สูงเท่าไร่ิ i k augstu jūs u z l ē c ā ก ร, ดดดรุณรดดไดาไปที่ w w w b o o k t o d e